วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเวลาเที่ยงห้าสิบเจ็ดนาทีชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งที่จริงแล้วชีวิตของของเราเนี่ยมันน้อยนักมันมีเวลาแค่วันหนึ่งคือหนึ่งเท่านั้นแหละในช่วงของเวลาชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นเราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสาระ มากที่สุดวันนี้ก็จะเสนอเรื่องของการเสียสละการเสียสละถือว่าเป็นสิ่งสาคัญมากเป็นการเอาออกนะเป็นการให้ไม่ได้เก็บเอาไว้ไม่ได้ยึดเอาไว้โดยเฉพาะการเสียสละให้กับคนใกล้ตัวและคนรอบข้างแล้วก็เสียสละเพื่อส่วนรวม อันนี้เป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องทําในช่วงระยะเวลาที่มีอยู่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเราอย่ามองประโยชน์ของตัวเราเองมากเกินไปเพราะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามองแต่ตัวเราเองเราไม่ได้นึกถึงคนอื่นโดยเฉพาะคนที่มีพระคุณกับเราหรือคนที่คอยอยู่ใกล้ชิดเรา เราต้องมองประโยชน์ของเขาให้มากกว่าประโยชน์ของตัวเองอันนี้เป็นการเสียสละเห็นประโยชน์ของเขาสำคัญกว่าประโยชน์ของตนเองรู้จักให้รู้จักแบ่งปันกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวหรือคนทั่วๆไปการเสียสละเนี่ยเป็นธรรมะชั้นสูงเลยนะ เพราะมันช่วยลดละตัวตนทำให้ตัวตนของเราเนี่ยมันลดน้อยลงไปถ้าตัวตนน้อยลงความทุกข์มันก็จะน้อยลงไปด้วยถ้าตัวตนมากความทุกข์ก็จะมากก็เพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวตนของเราคิดมั่นถือมั่นในตัวตนมากทุกข์มันก็จะมากเป็นเงาตามตัว เพราะนั้นการเสียสละการรู้จักแบ่งปันการรู้จักให้ลองประโยชน์คนอื่นมากกว่าเนี่ยนะมันเป็นการเสียสะละได้อย่างดียิ่งอันนี้เป็นการปฏิบททัติธรรมง่ายๆใครๆก็ทำได้ถ้าเราคิดจะทำ